อากงห้องสี่สองสัมผัสสยองเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งเมื่อประมาณห้าปีที่ผ่านมาตอนนั้น ผมทำงานที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งแถวแถวถนนจันเขตสาทรเป็นงานทำความสะอาดห้องหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารูมบอยซึ่งงานส่วนใหญ่คือการทำความสะอาดห้องที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปแล้วและมีบางที่จะต้องเข้าไปตรวจดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องที่แขกยังพักอยู่แต่ได้แจ้งไว้ที่แผนกต้อนรับ ให้รูมบอยขึ้นไปทำความสะอาดได้ลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนและแขกอาหรับคืนที่เกิดเรื่องนั้นผมได้ทำงานกะดึกคนเดียวต้องดูแลห้องพักทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะตอนกลางคืนไม่วุ่นวายจึงไม่ต้องใช้พนักงานหลายคนผมเดินตรวจดูความเรียบร้อยของห้องต่างๆตามปกติ จนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มขณะที่ผมเดินลงบันไดมาถึงที่ชั้นสี่ผมได้ทำเงินเหรียญสิบตกลงไปที่พื้นจึงก้มลงเก็บขณะที่กำลังก้มเก็บอยู่นั้นผมบังเอิญเหลือบมองลอดใต้ระหว่างขาก็เห็นชายแก่คนหนึ่งใส่กางเกงขากลวยยืนอยู่ด้านหลังผมด้วยความตกใจผมจึงรีบลุกขึ้น แล้วหันกลับไปดูแต่ก็ไม่พบใครเลยแม้แต่คนเดียวมีเพียงแค่ผมคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดคิดว่าเราอาจจะตาฝาดไปเองผมจึงเดินลงบันไดต่อไปที่ชั้นสามซึ่งเป็นห้องพักของพนักงานทำความสะอาดเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งจู่จู เสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นมือผมรับสายก็ได้รู้ว่าเป็นพนักงานต้อนรับโทรมาบอกให้ผมขึ้นไปที่ชั้น4ห้อง420เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยภายในห้อง เท่าที่ผมรู้ห้องสี่เป็นห้องสูตรไม่ได้มีใครเช็คอินมานานแล้วตั้แต่ผมมาทำงานที่นี่ยังไม่เคยที่จะได้เข้าไปทำความสะอาดในห้องนี้เลยผมจึงรู้สึกแปลกใจแต่ก็ตอบตกลงไปว่าจะไปตรวจดูให้ผมมีกุญแจมาสเตอร์อยู่หนึ่งดอกซึ่งกุญแจดอกนี้มันพิเศษมากๆ สามารถเปิดได้ทุกห้องพอเดินมาถึงหน้าห้องผมจึงหยิบกุญแจมาไขาประตูแต่หน้าแปลกใจมากผมเปิดกุญแจเข้าห้องนี้ไม่ได้ทั้งที่ใช้กุญแจมาสเตอร์ไขแล้วแท้ๆผมลองพยายามอีกครั้งปรากฏว่าเป็นเหมือนครั้งแรกไขเท่าไหร่ประตูก็ไม่ยอมเปิด ผมจึงลักความพยายามเดินกลับไปห้องแม่บ้านที่ชั้นสามโทรศัพท์กลับไปหาผนกต้อนรับเพื่อบอกกับเขาว่าผมเปิดห้องนี้ไม่ได้เขาตอบกลับมาว่าห้องสูตรห้องนี้เป็นห้องของเจ้าของโรงแรมเปิดไว้สำหรับให้ครอบครัวเข้ามาพักขอให้ผมลองขึ้นไปเปิดดูอีกทีผมจึงได้แต่ตอบรับ และเดินขึ้นไปที่ห้องนั้นอีกครั้งแล้วหยิบกุญแจดอกเดิมมาไขแต่ก็เปิดไม่ออกเหมือนเดิมผมคิดว่าอาจจะมีลูกค้าอยู่ในห้องก็เลยพูดที่หน้าห้องไปว่านี่รูมบอยนะครับขออนุญาตเข้าไปตรวจความเรียบร้อยครับเพราะผมพูดจบทุกอย่างมันก็ยังคงเงียบอยู่เหมือนเดิมไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาทั้งสิน้น เมื่อผมลองเสียบกุญแจเข้าไปอีกครั้งคราวนี้มันกลับเปิดออกได้อย่างง่ายดายจึงค่อยๆแง้มประตูมองเข้าไปดูภายในห้องตอนนั้นตัวผมเองไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรตอนที่เปิดประตูเข้าไปผมกวาดสายตามองแต่มองเห็นไม่ถนัดเท่าไรนักเพราะค่อนข้างมืดมีแค่แสงสลัวๆ เล็ดลอดผ่านกระจกจากระเบียงห้องเข้ามาเล็กน้อยเพราะตรงข้ามกับประตูที่ผมเปิดเป็นประตูกระจกเพื่อเปิดไปที่ระเบียงและมีผ้าม่านปิดไว้บางส่วนสายตาของผมเลือบไปเห็นเก้าอี้โยกกำลังโยกอย่างช้าชา้าเมื่อเพ่งมองดูแล้วก็เห็นรูปร่างลักษณะเหมือนคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แม้จะมองเห็นไม่ชัด แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นผู้ชายนั่งอยู่ผมจึงพูดออกไปว่าขออนุญาตตรวจห้องนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากชายคนนั้นที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มันจึงทำให้ผมไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปภายในห้องเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบกลับผมจึงค่อยๆปิดประตูตอนนั้นคิดว่า อาจจะเป็นญาติของเจ้าของโรงแรมที่ไม่อยากให้ใครรบกวนก็ได้ผมจึงเดินกลับไปที่ห้องพักพนักงานด้วยความสงสัยว่าคนในห้องนั้นคือใคร เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนก็ได้เวลาพักเบรกทานข้าวซึ่งจะมีช่างซ่อมบำรุงและพนักงานจากส่วนต่างๆหลายคนมาพักเบรกด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนเก่าคนแก่ทำงานที่โรงแรมแห่งนี้มานานแล้วขณะกําลังนั่งทานอาหารกันอยู่นั้นอยู่ๆช่างก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้อ คิดถึงอากงแกเนาะพนักงานอีกคนได้ยินก็ตอบว่าคิดถึงเหมือนกันว่านิ่ความสงสัยเพราะอยากรู้ว่าอากงคือใครผมเลยถามว่าอากงคือใครครับพี่ช่างก็ตอบว่าอากงอ่ะก็คือพ่อของเจ้าของโรงแรมนี่แหละเจ้าของห้อง420เพราะผมได้ยินดังนั้นก็เลยตอบไปว่า คิดถึงก็ไปหาสิครับแกอยู่บนห้องนั่นแหละเมื่อช่างและพนักงานได้ยินสิ่งที่ผมพูดพวกเขาต่างมองหน้ากันเลิกลักแล้วถามผมเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยเห็นเหรอเจอเหรอเอา้าเจอสิพี่แกนั่งเก้าอี้โยกอยู่บนห้องนั่นแหละผมตอบไปแบบไม่คิดอะไรจะบ้าเหรออกงตายไปตั้งนานแล้ว ช่างยังไม่อยากเชื่อสิ่งที่ผมเล่าจริงพี่นั่งโยกอยู่บนห้องทุกคนเงียบกริบมองหน้ากันและคิดว่าผมคงจะเจอจริงๆเพราะไม่เคยมีใครเล่าเรื่องอกงให้ผมฟังแล้วช่างก็สูดลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าว่าอากงอ่ะแกอายุมากแล้วแกป่วยและเสียที่ห้อง402นั่นแหละ ตอนเสียแกใส่กางเกงขาวกลยและเสื้อสีขาวพอแกพูดจบผมถึงกับขนลุกรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผมเจอในห้อง420กับที่บันไดชั้น4นั่นน่าจะเป็นอากงที่พี่เขาเล่าแน่ๆหลังจากคืนนั้นช่วงที่ผมทำงานอยู่เวลาเดินตรวจที่ชั้น4 บางคืนจะรู้สึกเสียวสลังแปลกๆยิ่งตอนที่ต้องเดินผ่านห้อง420ด้วยแล้วแทบอยากจะวิ่งผ่านไปให้เร็วที่สุดผมทนทำงานอยู่ที่นั่นได้อีกไม่ถึงเดือนก็ตัดสินใจลาออกไปทำงานที่อื่นแล้วผมก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรหลอนๆแบบในคืนนั้นอีกเลย สัมผัสสยง